ให้พากันตั้งใจเรามาอยู่ในวัดตราอารามเพื่อสแสวงหาความสงบอย่าไปนึกอย่างอื่นเพราะการทำใจสงบนี่มันยากดังนั้นเราจึงมีการฝึกขาดกันต้องรวมกันทำมันจะมีกำลังใจ ทำคนเดียวบางคนก็ท้อแท้แต่บางคนก็ทำคนเดียวดีนี่เราทำหลายคนรวมกันทำให้เกิดกำลังใจให้ขอให้พากันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ะระลึกเสียก่อน นึกถึงบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาเอามาบาังเกิดขึ้นในจิตใจบุญเราก็หวังเอาเป็นที่พึ่งทางใจนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นไม่ใช่เราทำบุญเพื่อให้มีทรัพย์สมบัติมากมากมีลูกสวยๆงามๆไปมุ่งอย่างนั้นผิดทาง ไม่พ้นจากทุกไปได้ง่ายๆ่ายเพราะว่าร่างกายนี่มันไม่ได้ไปนิพพานด้วยมันก็ถูกไปเผาก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกอยในโลกนี้เท่านั้นเองดังนั้นอย่าพากันไปชื่นชมยินดีกับรูปร่างกายนี่ ยิ่งไปกว่าการชื่นชมยินดีในบุญกุศลในคุณพระนรตะนาไกลเราต้องยึดเอาบุญออกคุณนั้นไว้เป็นที่พึ่งเสียก่อนส่วนร่างกายนี้เราก็ดูแลมันไปรักษาไปตามสมมาสมควรแก่อัตภาพเพื่อจะได้ฝึกใจได้ให้สงบระ ง, งับ ให้คิดอย่างนั้นเพราะจิตนี้จะเป็นผู้ไปสวยสุขสวยทุกในโลกหน้าต่อไปร่างกายไม่ ไ, มได้ไปเลยขอให้คำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากๆคนส่วนมากมักจะไปตกแต่งแต่ร่างกายห่วงแต่ร่างกาย ไม่ค่อยได้ทำนึงถึงจิตใจนั่นเรียกว่าเข้าใจผิดไปพอร่างกายก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันจะแตกกระดับอยู่ส่วนจิตนี่นะถ้าจะว่าไปอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่ามันไม่ตายมันไม่แตกดับไปกับร่างกายเมื่อร่างกายนี้อาศัยไม่ได้แล้ว มันก็ออกจากร่างนี้ไปก็มีกรรมดีกรรมชั่วที่แต่และคนกระทำมาไว้นนําไปถ้าผู้ใดมีกรรมชั่วติดตัวไปผู้นั้นก็ได้สเสวยทุกข์ผู้ใดมีกรรมดีติดตัวไปผู้นั้นก็ได้สเสวยความสุขนี่จิตนี่มันไม่ตายมันมีบุญมีกรรมมีบาปมีบุญเป็นเครื่องนําทางไปเกิด ในพบน้อยพบใจการเกิดมาอาศัยรูปร่างกายมันไม่เที่ยงไม่อย่างอื่นนี่มันเป็นทุกข์มากดังที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละพิจารณาดูให้ดีมันแสนยากแสนลำบากต้องได้หาเลี้ยงมันโย่อย่างนี้เลยคนทำบาปก็เพราะหา เอาของเงินทองมาเลี้ยงอัตภาพนี้เองส่วนมากเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้พิจารณาดูก็รู้ได้ผู้ที่กลัวทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์ก็ไม่คำนึงถึงร่างกายในเกินประมาณบำรุงมันไปตามตามแต่มันจะได้ขอให้มีศีลบริสุทธิ์แล้วเป็นพอผู้ที่ เบื่อทุกในในนกนกในอาบายภูมิก็เป็นเช่นนั้นแหละบำรงขีดใจให้มากทำใจให้บริสุทธิ์พุทธพงนับว่าเป็นความฉลาดที่เดียวเพราะว่าจิตนี้เมื่อมันสาสมกิเลสบาปธรรมมากเข้าไปมันก็มัวหมองมืดมน ไม่รู้จักทางออกจากทุกข์ไม่ทราบจะออกทางไหนในภายในจิตใจก็มีแต่กิเลสบาปธรรมห้อมล้อมอยู่หมด <c oughs> เหมือนอย่างนกขังอยู่ในกรงดินไปดินมายังไงมันก็ออกไม่ได้อันนี้ขั้นใดกุมนกันอย่างนั้นเลยเมื่อวิชาตันหาความโลภโกรธสงกรอบกำจิดแล้ว จิตนี้ก็ออกไปสู่โรคแห่งความสว่างไม่ได้อยู่แต่ความมืดอยู่แต่ในที่มืดหมดายความว่าไม่สามารถที่จะทำกรรมดีด้วยกายไม่สามารถที่จะพูดเรื่องดีด้วยวาจาได้มีแต่ กิเลสตัณหาบาปประธรรมบังคับให้ทําแต่ชั่วพูดแต่ชั่วไปออย่างนี้แหละได้ยวกัจิตใจที่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสตัณหาแล้วมันมีแต่หมุนไปในทางชั่วดังนั้นทุกคนได้ฝึกจิตตรงนี้เรียกว่าตนแหละบังคับตัวเองคนอื่นบังคับไม่ได้จิตมีดวงเดียว นั่นแหละก็จังว่าตนแลบบังคับตัวเองฝึกตัวเองฝืนอำนาจของกิเลสมเมื่อพิจารณาว่าอันกิเลสอันนี้มันจะพายไปทำบาปเช่นนี้เราก็ไม่ตามมันเลยกำหนดใจละมันเสียอย่างนี้เรียกว่าทวนกระแสของกิเลสไม่ไปตามอำนาจของกิเลส อาวผู้ที่ละบาปยังงยาบอันนั้นได้แล้ววันนี้จิตใจก็มาคล้องอยู่ในอารมณ์ที่ไม่เป็นบุญเป็นบาปคิดลอยๆไปก็ตามรู้ตามละมันคิดลอยๆไปก็ตามมันก็ไม่มันก็เป็นทางไม่สงบ เมื่อปล่อยคิดลอยๆอยไปจะเป็นบุญก็ไม่ใช่จะเป็นบาปก็ไม่ใช่เช่นคิดถึงวัวถึงควายคิดถึงบ้านถึงเมืองอะไรไปทำนองนี้นะมันก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่ว่ามันเป็นเครื่องคล้องอยู่ในโลกมันทำให้จิตใจคล้องอยู่ในโลกนี้ดังนั้นเราพยายาม อย่าให้จิตมันคล่องอยู่ในโลกนี้เมื่อบุคคลมาเห็นว่าชาติความเกิดมันเป็นทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละต้องร่างกายนีต้องเลี้ยงตง้องผลปื้อต้องรักษามันจึงพอประทังอยู่ได้ถ้าไม่รักษาแล้วร่างกายนี่ก็ทุดโทมไปแตกดับไปเท่านั้นเองเพราะนั้นการแสวงหาปัจจัยสี่ มาบำรุงเลี้ยงมานีนมันแสนทุกแสนยากแสนลำบากดังนั้นแหละขอให้พากันภาวนาให้เห็นความทุกข์ในชาติความเกิดที่ว่าเป็นทุกข์แล้วก็พยายามสำรวมใจให้แน่วแน่ลงไปอย่าไปวิตกวิจารณ์ความคิดนึกคุ่งซ่านไปทางอื่น ก็นี่เป็นอุบายวิธีปงขันห้าวางขันห้าลงเพื่อเราจะได้ตัดถนนทางแห่งความเกิดแก่เจ็บตายให้สั้นเข้ามาโดยลำดับหาบกบุคคลใดไม่ภาวนาไม่สะกดจิตให้รวมลงให้สงบระงับลงเสียเลย อ, อย่างนี้จิตใจมันก็มีแต่ผูกพันอยู่กับโลกนี้ก็หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้ ้าผู้มีบุญน้อยเช่นนี้ตายแล้วก็อาจไปเกิดกับสัตว์สิ่งที่ได้ฉานก็ได้นี่บุญน้อยอะจะมาเกิดกับคนอีกก็เกิดไม่ได้นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมส่วนกันมันยึงเป็นไปได้ถ้าไม่สมบูรณ์ไม่ประกอบไปด้วยเหตุผลเพียงพอ มันก็เปลี่ยนไปไม่ได้บุญกรรมที่นำให้ไปเกิดสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสัตว์เดรัจฉานบางตัวก็เกิดขึ้นมาแล้วเจ้าของรักมากทนุถนอมเลี้ยงดูให้ได้อยู่ดีกินดีเช่นสุนัขหรือแมวหรือตัวควายมูนี้ก็เหมือนกันนะ บางตัวเจ้าของรักทะนุถนอมอ้าวบางตัวเกลียดอย่างนี้แหละทั้งนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะอย่างว่าแต่เป็นคนนี่ก็ทำดีอยู่บ้างทีนี่แต่ว่าความดีอันนี้มันไม่มากพอที่จะให้เกิดเป็นคนอีกมันก็เลยนำไปเกิดสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานอ่าบุญอนั้น้นก็โดนบรรดาให้เจ้าของเอ็นดูรักใคร ก็เป็นอย่างนี้แหละถึงอย่างไรก็จะไปอยากไปเกิดเป็นสุนัขถึงเจ้าของจะรักใครยังไงมันก็ไม่มีอิสระเตรีในตัวของตัวเองอมันก็ย่อมไม่มีหนทางที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรได้เลยถ้าไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งีใดฉานอย่างนั่นนะ่ะถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ก็ยังชั่วหน่อย พอได้สร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อสำหรับผู้ที่เชื่อบุญเชื่อกุศลว่าอานวยผลให้เป็นสุขก็ต้องจดใจจดใจจ่อยอยู่ในบุญกุศลแหละขอให้เข้าใจเพราะถ้าหากว่าไม่เอาใจจดจ่อแล้วก็ไม่ได้ทำบุญกุศลอย่างนั้นเนี่ยเหตุที่เราทำบุญกุศลได้นี่เพราใจเราเชื่อบุญ เชื่ออยู่ตลอดเวลาเลยเชื่อว่าบุญนี่แหละอํานวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทาโดยแท้จริงไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาอํานวยผลให้เป็นสุขได้อืเราต้องพี่นะ่ะให้เห็นด้วยปัญญาชัดเจนลงไปอย่างนี้แล้วกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจนี่บุคคลจะละได้ก็เพราะอนุภาพของบุญแหละ ต้อสร้างบุญกุศลขึ้นในใจให้มากแต่ก่อนนั่นแหละบางคนสร้างบุญกุศลขึ้นในใจเมื่อมันมากเข้าไปแล้วบุญกุศลก็โดนบันดาลให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่ก็จึงได้เข้าวัดเข้าวากันสแสวงหาความสงบทาง จ, จิตใจเพื่อใจนี่จะได้ละกิเลสปาประธรรมออกไปจะได้พ้นจากทุกข์ เป็นขั้นขั้นตอนตอนไปตก็อย่างที่เรามาบำเพ็ญกันอยู่อย่างนี้แหละเกิหวังว่าคงจะมองเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่เกิดเป็นคนมาบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆเกิดกี่ชาติก็เป็นทุกข์อยู่เท่านั้นชาติอย่างนี้ถ้าไปเป็นเทวดาก็ยังชั่วน้อย ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอายุก็ยั่งยืนนานเทียบกับปีเดือนวันคืนของมนุษย์แล้วนับเป็นล้านหลายล้านปีอายุของเทวดาแล้วก็มีความสุขมากกว่าความทุกข์เพราะเทวดามีรูปอันละเอียดนึกจะไปไหนนี่ตัวลอยไปเลยเป็นอย่างนั้นอาหารก็ละเอียด ฆ่านุ่งฟาห่มกระเอียดอย่างนี้แล้วเทวดาไม่ได้ทะเลาะโบวแวงไม่ได้ฆ่าไมด้ตีกันจะไปฆ่าไปตีอะไรแล้วต่างคนต่างก็มีบุญสร้างบุญกุศลแต่มนุษย์นี่แล้วจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาบุญก็บรรดาลให้มีสมบัติอันเป็นทิพย์ครอบทวนบริบูรณ์เช่นนี้แล้ว มันก็จะไปแย่งทิงอะไรเอากันแย่งก็แย่งไม่ได้สมบัติของเทวดาไม่มีใครแย่งได้ไม่เหมือนของมนุษย์ของมนุษย์นี่มันสมบัติอันยาบแล้วมนุษย์ก็มีบุญน้อยไม่มากเหมือนเหมือนบุญของเทวดาเพราะฉะนั้นพวกอันธพาลมันจึงยื้อแย่งเอาได้ ขอให้คิดดูให้ดีไอ้ความเบียดเบียนกันยันก็เป็นทุกข์ในโลกอยู่แล้วนั่นนั่นพิจารณาหลายเรื่องหลายอย่างประกอบกันเข้าแล้วมันก็ทําให้เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่แหละถ้าคนไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาก็จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายอืม ก็จะแสวงหาความสนุกถูกสนานอยู่ในโลกสงสารอันนี้แหละหาเงินหาทองได้มามากมากแล้วแทนที่จะใช้จ่ายให้มันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นยืดยาวนานไปก็ใช้จ่ายไม่เป็นเมืกก่อจะไปใช้จ่ายแสวงหาแต่ความสนุกสุขสนะสบายชั่วคราวเช่นไปเล่นการพ น, นัน บ้างไปบำลุงบำเลอเจ้ า, เาบำลุงบำเลอสู้สาวหรือชายสู้เข้าไปอย่างนี้นะก็เอาไปซื้อสุดรากันซายาฟินเฮโรอีนหรือบุหรีมาสูกหรือกโกรธใครมาก็จ้างมือปืนไป เก็บคนนั่นเสียนี่เรียกว่ามีทรัพย์สมบัติมาแล้วใช้จ่ายไม่ไม่เป็นประโยชน์เป็นแต่โทษอ่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคนไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปมันก็ยอมเป็นไปตามอำนาจของกิเลสสุดแล้วจากกิเลสมันจะจูงไปยังไงก็ต้องทำไปตามอำนาจของมันมันจะเป็นบาปเป็นกรรมก็แล้วแต่เรื่องมัน ไม่คำนึงถึงเบื้องหน้าหมายความว่าคนส่วนมากคำนึงแต่ปัจจุวันได้เลื่นเลงบันทิงได้สนุกสนานอยู่ในปัจจุวัลนี่เอาแล้วตายแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างมันนี่คนคิดสั้นไม่ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสคนเราเมื่อมีกิเลสอยู่ตายแล้ว ต้องเกิดอีกกิเลสนั้นเนี่ำพายไปเกิดอีกอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นกิเลส่ยายชั่วกิเลส่ยายชั่วมันก็นาไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากถ้าเป็นกิเลสพายดีกิเลสพายดีก็นาไปเกิดที่สุขสบายดังกล่าวมาแล้วนั่นนะถ้าผู้ใดเชื่ออย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่เดินไปทางบาปอกุศลเลย เพราะไม่ต้องการทุกข์ ừ, เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ขอให้เป็นสุขไปอย่าไปสู่ทุกข์เลยนี่ผู้ต้องการความสุขผู้กเกลียดต่อความทุกข์มันก็ต้องฝึกใจของตนนี้ให้ชื่นชมยินดีในกุศลธรรมในความบริสุทธิ์เลยไปแหละแล้วก็เบื่อหน่ายต่อความทุจริตคือความชั่ว เมื่อนายต่อการปล่อยจิตให้ไปผูกพันอยู่กับโลกนี้ดังนั้นจึงได้ฝึกใจให้น้อมทำความยินดีในบุญในคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยินดีในบุคคลผู้ประพฤติสินทมเหมือนกันเมื่อเห็นกันแล้วก็ผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันและกันเพราะมี ความเห็นเสมอกันเหมือนกันต่างคนก็เบื่อทุกข์เบื่อโทษในสงสารเหมือนกันอยากคนทุกข์แสวงหาทางค้นจากโกรคสงสารอันนี้เหมือนกันอย่างนี้นะมันก็ชักชวนกันทำความดีเรื่อยไปชักชวนกันละความชั่วให้หมดให้สิ้นไปจากกายวาจาใจนี้อย่างนี้แหละการนับถือวุทถศาสนาขอให้เข้าใจ ไม่ใช่เราจะน่ะพระพุทธเจ้าสรงสอนในเพียงนับถือเพียงแค่กราบแค่ไหวจุดธูปเทียนบูชาขุณพระรัตนกไกลเท่านั้นอันนั้นมันเป็นเพียงบทบาทเบื้องต้นแห่งการเข้าถึงพุทธธรรมเท่านั้นเองแนละไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกโดยเด็ดขาด บุคคลมีแต่เพียงกราบไหว้บูชาดอกไม้ถูกเทียนต่อพระพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นมันป้องกันบาปไม่ได้บาปมันย่อมครอบงมจิตใจบุคคลผู้เพียงแค่กราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมเท่านั้นอันนี้แหละคอยพากันพิจารณาให้ดีเราทำบุญ แล้วเราต้องเพียรละบาปไปพร้อมกันนัเมื่อทําทั้งบุญทั้งบาปเช่นนี้มันก็ต้องได้สวยทั้งสุขทั้งทุกข์คราวใดบุญให้ผลก็เป็นสุขไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ไปชอบเหลออย่างนั้นน่่ะอถ้าถามแล้วทุกคนก็คงตอบว่าไม่ชอบแน่อย่างนี้ ก็เมื่อไม่ชอบแล้วเอานะก็ต้องสอนจิตสอนใจอันนี้ให้ยินดีในบนุญในคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปและให้เบื่อนายต่อบาปกำความชั่วร้ายต่างๆนานาเหล่านี้นะนก็ให้เบื่อนายมันสอนใจให้เบื่อมัน่นสอนใจให้เบื่อทุกวันไปเลยนะ ไม่ใช่นั้นมันก็กลับไปยินดีในบาปที่เคยทำมาอีกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการฝึกฝนจิตใจตามคำสองพระเทเจ้านี่แสนดีนักหนาน ะ, ะจิตใจเราจะได้บริสุทธิ์พุดผ่องจากกิเลสปาผะธรรมต่างๆนี่ขอให้พากันตั้งใจลงเบื้องต้นนี้เพ่งให้ใจมันสงบ อย่างเดียวจะพึ่งพยอยากรู้ร้นรู้นี่อะไรก่อนเพราะว่าใจยังไม่ตั้งมั่นแล้วพิจารณาอะไรไปหนอห น, อหนึงก็จิตถอนจากสมาธิแล้วมันก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงเรื่องนั้นๆได้ผู้ใดมาฝึกเกียรให้สงบมั่นคงรู้ว่าตนทำสมาธิมั่นคงดีขอสมควรอย่างนี้นะ แล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาต้องการจะรู้เรื่องอะไรก็หยิบยกเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาการพิจารณาเรื่องอะไรก็ให้ลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่ทารีย์วัตรลักษณายานเพ่งพิจารณาจนรู้แจ้งว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เทียงแท้แน่นอน ทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีหรือไม่มีวิญญาณครองก็ดีจะเป็นบุคคลเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่นี่เราก็ต้องยังใจเข้าไปพิจารณาดูความทุกข์ของสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งหลายนี่มันทนได้ยากลำบากจริงๆอย่าดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ ไม่อยากตายก็ต้องได้ตายไม่ทันหมดอายุก็ตายเขาจูงเข้าหลักไปไปเชือดพอเสียดินโนกระสับกระใสจนกลัวจะหมดลมหายใจตายวันละล้านล้านตัวนะสัตว์ในเดรัจฉานในโลกนี้ลองเพ่งพิจารณาดูตายพ่อมนุษย์ฆ่าเอาไปเป็นอาหาร อย่างนี้ผู้ใดทําไม่ดีไม่ผึกจิตใจของตนปล่อยให้ใจิตใจมันเป็นจริตนิสัยใจคอเหมือนกับสัตว์สัตสิ่งใดฉานอย่างนี้นะสัตว์สิส่งฉันเป็นงไงมันมีแต่หากินหานอนกับปลื่นเลิศในกา ร, รมคุณเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรนอกนั้นนะมนุษย์เราถ้าหากว่า ไปหาแต่กินแต่นอนแล้วครับชอบใจในกรรมคุณเมตุนสังโยช น, น, นั้นเท่านั้นแล้วไม่ขวนขวายในบุญในกุศลไม่ฝึ ก, กจิตใจของตนไม่นั่งสมาธิภาวนาชื่นชมแต่สัมผัสอันน่ายินดีพอใจต่างๆอยู่อย่างนี้นะนี่แหละทำที่พาให้ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งใดช้านเพราะฉะนั้นอย่าพา การ น, นิ่งนอนใจเดียวจะได้ไปเกิดกับสัตว์ดิบชันแน่นอนนะถ้าไม่ฝึ ก, กจิตใจอันนี้นะพระพุทธเจ้ามีเหตุผลเพียงพ อ, อที่พระ อ, องค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั่งสมาธิภาวนาก็เพื่อฝึ ก, กจติตตรงนี้ให้เข้มแข็งให้หนักแน่นให้ส ง, งบนี่นะ เพราะจิตตรงนี้จะเป็นผู้พ้นจากทุกข์ร่างกายมันไม่ได้พ้นทุกข์ด้วยเลยหรือว่าชอบใจอยากเห็นดีเที่ยวเกิดเทีเ่ยวตายอยู่อย่างนี้เหรอก็แล้วแต่ถ้าผู้ใดเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วก็เอาภาวนาเข้าไปน้มจิตน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันคิดเลยเปื่อยไปโดยไม่มีประโยชน์ เวลาทำความสงบแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบจริงๆการงานอื่นๆวางไว้หมดไม่เอามาคิดมาตรองก็คิดได้ก็ทำไม่ได้เช่นนี้เนะ่ะมีอุบายเตือนใจเข้าไปเพ่งเข้าไปภายใน น, นี่เพราะว่าจิตตรงนี้มันอาศัยอยู่หาไทยวัตถุคือเนื้อหัวใจมันอาศัยอยู่ในนี้ไม่ได้หนีไปไหนหรอก มันอาศัยอยู่ในนี้แล้วแต่มันไม่รู้แจ้งเรือนร่างที่ทนอาศัยอยู่นี่ตามเป็นจริงดังนั้นจึงผลักไสมันตั้งมัน่นลงไปแล้วก็เพ่งพิจารณาเรือนร่างอันนี้ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางอืมไม่คิดไม่ปรุงแต่งต่อไปอีกเมื่อเห็นแจ้ง ชัดว่าร่างกายทุกส่วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรที่เราจะมายึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาวควรปล่อยคนวางเมื่อคิดได้อย่างนี้อุบายอย่างนี้สอนจิตเข้าไปจิตก็วางระเบียดนี้นะก็ไม่คิดต่อไปอีกวางถ้ามันวางได้จริงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งลงไปอืมเมื่อ จิตรวมลงไปอยู่ได้ช่วระยะหนึ่งมันจะถอนขึ้นมาเอาก็กำหนดจิตใหม่รับพิจารณาต่อไปหรือทำสมาธิก่อนเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วเวลายังมีอยู่ก็ทำสมาธิต่อเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันหยุดติความคิดความนึกต่างๆลงไป แล้วก็พิจารณาต่ออย่างที่ว่านี่แหละเห็นแจ้งประจักษ์แล้วก็ลอยวางให้จิตรวมลงพร้อมด้วยความรู้ยิ่งปรากฏอยู่ในใจนี่ท่านเรียกว่าจเจริญสมถาวิปทานควบคู่กันไปทำอย่างนี้แหละวิปปัตนาปัญญานี่พพอกิตพอใจตรงนี้เข้าไม่พ่อไม่ถอยแล้วมันก็ ไม่รู้เท่าขันห้าแล้วก็ชื่อว่าไม่รู้เท่ากิเลสมเมื่อจิตใจยึดขันห้าอยู่ตราบใดมันมันก็สร้างราคะโทสะโมหะให้เกิดขึ้นตราบนั้นมเมื่อจิตปล่อยวางขันห้าไม่ถือว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเห็นเป็นแต่เพียงสภาวธรรมอาศัยกันอยู่ พอหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองเห็นแจ้งโดยพญญานี้อยู่เสมอสมอจิตใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ไปทางบาปอกุศลไม่ไปไม่สร้างกิเลสเผาตัวเองให้เดือดร้อนเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่ไม่ใช่ตัวตนทุกนทำมไมยังมาเกิด มาอาศัยรูปร่างนี้อีกแล้วทั้งนี้ก็เพราะมันไม่รู้ตั้งแต่ก่อนมาไม่ได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงมีแต่ความสำคัญว่ารูปร่างกายนี่เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนอยู่นั้นเ อ, อตั้งนั้นมันถึงได้มาเกิดอาศัยมันอยู่อีก อ, อมันเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่ออาศัยมันแล้วมันเป็นทุกรู้ตัวแล้วก็เอาและพยายามถอนตนออกจากมัน ว่าอย่างนั้นก็ถอนจากมนุษย์แล้วก็ไปเป็นเทวดาก็ยังชั่วกว่าเป็นมนุษย์หลายร้อยเท่าถอนจากเทวดาก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอระหันต์ต่อไปตามกําลังบุญวาสนาของตนของตนนี่ จิตใจนี่นะมันสามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปได้ถ้าบุคคลยินดีในการฝึกตนดังที่เรากระทากันอยู่นี่นะ่ะขอให้ถือว่าเป็นกิจวัตแม้จะไปอยู่ในบ้านในช่องอย่างนี้ก็ต้องทําต้องมีห้องไหวพระสวดมนต์ต่างหากการสร้างบ้านสร้างเรือนนะต้องให้มีห้องไหว้พระสวดมนต์ เป็นพิเศษอ่านบรรดาบ้านช่องที่ผูกเขาเจริญแล้วเขามั่นใจในศิลในธรรมเขาย่อมจัดห้องหนึ่งไว้เป็นห้องพระต่างหากเลยถึงเวลาแล้วเขาก็เข้าห้องพระไปไหว้ไปกราบไปกล่าวสรรเสริญคุธคุณธรรมคุ ณ, รรคณทั้งกัคคุณเป็นอารมณ์ แต่็แล้วก็นั่งสมาธิอน้อมใจลงสู่ความส ง, งบดังแนะนํามาแล้วนั้นจเจริญปัญญาให้แหลมคมไปเรื่อยๆปัญญานี่ถ้าไม่จเจริญมันก็ไม่เกิดนะไม่แหลมไม่คมต้องหัดคิดหัดพิจารณาแต่การพิจารณาต้องมีสมาธิเป็นฐานที่ตั้งอืมให้เข้าใจแต่ถ้ารู้ว่าจิตนี้มันไม่ตั้งแล้วก็งดพิจารณา มาเพ่งใจให้สงบสะก่อนเมื่อใจสงบตั้งมั่นโดยดีแล้วก็จึงพิจารณาต่อไปพิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางจิตจะได้รวมลงเป็นหนึ่งอันนี้เป็นผลของวิปัสสนาดังแสดงมา